พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนไว้ภายในอย่าทงใจออกไปข้างนอกการภาวนาที่ถูกทางมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละให้เข้าใจ ถ้าไปส่งจิตออกไปข้างนอกแล้วไม่ถูกทางการที่พระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทรวกรวมจิตใจไว้ภายในก็เพราะเหตุว่ามันเป็นอุบายสำหรับละกิเลส ไม่ใช่อย่างอื่นใดเพรกิเลสนะั้นมันทำจิตให้พุ่งซ่านเลื่อนลอยทีนี้เมื่อมายับยั้งจิตใจไว้ภายในแล้วกิเลสมันก็จะหมดอำนาจลงไปโดยลำดับเราทำจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นลงไปแล้วกิเลสมัน ผากดันจิตใจให้พุ่งไปภายนอกไม่ได้มันก็อ่อนกำลังลงแต่มันก็ยังไม่ขาดต่อเมื่อเจริญปัญญาเข้าไปค้นหาเหตุหาปัจจัยกิเลสมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดมาจากอะไร เมื่อปัญญาค้นคว้าหามันก็พบได้มีแต่ปัญญาเท่านั้นแหละเป็นขั้นสุดท้ายนะสามารถที่จะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาอย่าไปนั่งสงบจิตอยู่เฉยๆต้องรู้จัก มีอุบายสอนใจหรือให้ต้องรู้จักค้นคว้าเพ่งพินิษให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดกิเลสต่างๆแต่ความจริงแล้วนะมันก็ไม่ใช่กื่นไกลอะไรการที่ปล่อยจิต ให้คิดสงสายไปข้างนอกนั่นแหละหมันเป็นบ่อกเกิดของกิเลสอ่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาสำมรวมจิตอยู่ภายในเพ่งจิตไว้ภายในนี่จนชำนิชำนานคือเมื่อเวลาเราพักจิตเราก็พักได้ อย่างนี้นะเมื่อเวลามีเหตุอะไรกระทบมาอย่างนี้เราก็สามารถมีสติระลึกเข้าไปข้ามจิตได้ไม่ให้มันหลงยิงนดียันร้ายไปตามอารมณ์ด้านนั้นอันนี้นว่าสำคัญอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่า เราเป็นอยู่แต่ละวันเนี่ยอันจะไม่ให้มันได้รับกระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่น่ายินดียินร้ายนี่เห็นจะไม่มีในวันหนึ่งหนึ่งมันต้องมีแหละไม่มีมากก็มีน้อยที่สิ่งที่มากระทบจิตให้วันไว้ไปตามอย่างที่ว่านั่นนะดังนั้นแหละ พระพุทธเจ้าจึงได้สอนให้เป็นผู้ฝึกสติสมบัติ ญ, ญาให้แกียรติกล้าระมัดระวังจิตนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติคอยระวังอยู่นั่นเนี่ยมันก็รู้เท่าทันเนี่ยเมื่อเรื่องใดกระทบกระทั่งมาจิตก็ไม่ทันได้หวนไว้ไปตามเมื่อสติมันห้ามจิตให้หยุดยั้งได้จิตก็รู้เท่า รู้แจ้งในเรื่องนั้นทันทีพอจิตตั้งมั่นลงได้นะ่ะมันมันรู้ได้สิ่งต่งตางๆนั้นนะที่กระทบมาแต่ถ้าจิตวันไวไปเลยอย่างนี้มันรู้ไม่ได้มันละไม่ได้ขอให้เข้าใจดังนั้นแหละก็ อ, องค์จึงได้ทรงสอนให้ฝึกสติ สมปะยะกำกับจิตใจนี่ให้เข้มแข็งไว้เมื่อใจเข้มแข็งแล้วอะไรกระทบมามันก็ไม่ค่อยตื่นเต้นง่ายๆมันกำหนดพิจารณาทาันได้เป็นสั้นาณให้ เ, เข้าใจเมื่อเป็นเช่นนี้การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ มันจึงอยู่ที่ว่าการกระทาความเพียรให้ติดต่อกันไปไม่ขาดสาย <c oughs> คือการปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเพราะว่าพระธรรมมีอยู่ทุกเมื่อเช่นสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็มีอยู่ทุกเมื่อถ้าเรา พยายามร ะ, ะลึกเข้าไปภายในอันสติมันมีอยู่ทุกเมื่อแล้วแต่ว่ามันมันนเผลอระลึกไปภายนอกนู่นมากต่อมานีนะจนเป็นเหตุให้ลืมตัวก็มีตนคิดอะไรตนนึกอะไรก็ไม่รู้ตนมีความคิดเป็นบาปอากุศลอย่างไรก็ไม่รู้อย่างนี้นะ เนี่ยเรียกว่าจิตใจนี่พอขาดสติสมปัจญญากระคงรักรักษาแล้วมันจะแปรผันไปทั่วแหละคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างะสมประสานกันไปอยู่นั่นให้เข้าใจทีนี้เมื่อเรามาฝึกสติสมปัชญญาให้ เข้มแข็งประคับประคองจิตนี้อยู่เสมอเสมอไปแล้วอย่างนี้มันมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องหมู่นั้นนะจิต ก, ก็ย่อมสงบลงได้ง่ายกันพอจะน้อมลงไปสู่ความสงบอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์อื่นมารบกวนมันก็ดิ่งลงไปสู่ความสงบได้ แต่ถ้าปล่อยให้จิตยึดอารมณ์ต่างๆปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆไว่มากมากแล้วอย่างนี้จะเราจะเป็นน้องจิตลงถูกความสงบยอมไม่ได้ง่ายนักมันไม่ยอมลงแหละกิเลสมันดันไว้ดังนั้นเนี่ยทางที่ดีแล้วผู้เจริญสมาธิภาวนานี่มันต้องมีสติอยู่เสมอ ยืินเดินนั่งนอนกินดืม่มพูดจาทำการงานอะไรก็ต้องมีสติะระลึกถึงตัวเองให้มันได้สมปัจจัญญก็รู้ว่าขณะนี้ตนทำอะไรอยู่ก็รู้เท่าการงานที่ทำนั้นรู้เท่ายังไงรู้เท่าว่าการงานที่ทำนั้นเน่ มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันบางทีก็สาเร็จได้บางทีก็ไม่สาเร็จถ้าไม่สาเร็จก็ไม่ต้องเสียใจถ้าสำเร็จไปได้ก็ไม่ต้องดีใจเกินขอบเขตนี่เราตั้งความรู้สึกไว้ในใจอย่างนี้นะทำการทำงานอะไรก็ดีถ้าไม่ตั้งไว้อย่างนี้ เวลาทำอะไรไปแล้วมันผิดหวังเวกสีใจหรือเมื่อเวลามีใครมารบกวนก็โกรธยับยั้งใจไม่ได้เช่นนี้มันก็ทำให้การงานนั่นหยุดชะงักลงดำเนินไปไม่ได้นี่ต้องระวังผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ ต้องให้มันได้ผลจริงๆอย่างที่ว่ามานี่เลียถ้าปฏิบัติทมภาวนาอยู่แต่เมื่อเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็ตื่นเต้นวันไว้ไปตามโกรธเกลียดเคียดชั่งเสียใจอย่างนี้นะไปอย่างแรงมือนี่เมื่อเมื่อจิตใจเป็นเช่นนั้นเนี่ยการปฏิบัติทมสมาธิภาวนา ก็ย่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยขอให้เข้าใจกันการที่ว่าภาวนาได้ผลนะสมาธิปแปลว่าใจตั้งมัน่นเราฝึกคัดทำใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเมื่อเวลาความทั่วมากกระทบกระทั่งก็ไม่หวั่นไหวไปตามรู้เท่าทัน เพราะธรรมดาคนมีใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วปัญญามันก็มีอยู่ในนั่นแหละพอมีอะไรมาถึงเขา้ามันก็ปัญญามันก็คิดมันก็รู้สิ่งใดควรละมันก็รีบสอนใจเห็นละทันทีนี่แสดงว่าจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิปัญญามันจึงรอบรู้ ในสภกองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็เป็นนั้นว่าภาวนาไม่ค่อยได้พ้นให้พากันตั้งใจให้ดีเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสน า, าแล้วเรียกว่าเรามาพบคำสั่งสอนของผู้เศศิฐ เพราะพระองค์นั้นได้ตัดสรู้แจ้งแทงตลอดทมของจริงแท้ไม่ใช่ของปลอมมาพระ อ, องค์รู้อะไรรู้จริงทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะเมื่อเราเชื่อพระปัญญาตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราก็จงมาลงความเห็นกับตัวเองว่า ถ้าตนเองไม่ผึกจิตใจให้ตั้งมั่นให้มีปัญญาเกิดขึ้นรู้จริงเห็นแจ้งในสัพสังขารทั้งพวงแล้วะนีตนก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่การที่ได้ฟังคาสอนพระพุทธเจ้ามาแล้วก็รู้อย่างนี้เพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คน ถอนตนออกจากทุกข์ในวตาสงสารนี้ด้วยอุบายปัญญาต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละพระองค์ไม่ได้สอนคนเป็นอย่างอื่นนะไอ้ที่ทรงสอนให้ทานรักษาศีลไม่พระภาวนาโมนีนะล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลย เพราะการที่บุคคลมีความโลภความตี๋ห่วงแหนในทรัพสมบัติภายนอกหรือห่วงแหนขันทั้งห้าอันเป็นภายในอันนี้กรดีมันเป็นทุกข์หลายนี่ผู้ใดพิจารณาตามคำสอนของตัวเจ้านี่จะเห็นว่านันเป็นทุกข์จริงๆนะความห่วงความหวงและความอยากได้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ มันเป็นทุกข์จริงๆอันนี้แหละพระองค์เจ้าทรงพระประสงค์อยากจะให้ถอนตนจากความโลภความตนีเหล่านี้แหละให้เข้าใจจึงได้ทรงสอนให้บริจาคทานเพื่อชำระสันดานที่มีความโลภความห่วงความหวงอะไรต่ออะไรอยู่ในใจนั้นออกไป การที่บุคคลมีความโกรธจัดเป็นเจ้าเรือนมันก็เป็นทุกข์มากอันเป็นเหตุให้ได้สร้างกรรมสร้างเวรใส่ตัวเองก็เพราะความโกรธนี่แหละเป็นสิ่งสาคัญมากเมื่อมันโกรธมากๆเข้าไปแล้วมันล้างไม่อยู่มันก็เบียดเบียนผู้อื่นถ้าไม่มีโอกาสที่จะได้ลงมือ ทุบตียิงหรือว่าฟันหรือแทงผู้อื่นให้ตายอย่างนี้ก็ใช้วาจาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บปวดภายในจิตใจนี่แหละมันมันต้องใช้วาจาทิ่มแทงกันซะก่อนทิ่มแทงให้เจ็บใจเมื่อมันเจ็บใจพแรงแล้วคนนี้มันก็ ยังไม่อยู่แล้วก็ใช้อาวุธทิมแทงกันแล้วแบบนี้นะประหารประหารกันนี่แหละโทษแห่งความโกรธให้พึงเข้าใจดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้เจริญเมตตาให้มากๆเจริญเมตตาหมายความว่า ให้ตั้งคิดปรารถนาให้สัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากันอย่าอย่าไปตั้งคิดคิดให้บุคคลหรือสัตว์ที่ตนเกลียดชังนั้นชิบหายวายวอดล่มตายไปอย่าได้พุทธได้เกิดอะไรอย่างนี้นะใดใจไปตั้งไว้อย่างนั้นนะ่ะมันก็เรียกท่านเรียกว่าพยาบาทจองเวน วันนี้เราเห็นโทษแห่งความจองเวียนอย่างนั้นแล้วก็จึงมาตั้งจิตเมตตาขึ้นมาให้อภัยแก่บุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูต่อตนตนก็ไม่ดังเกียดเขาเพราะเขามันมีนิสัยอย่างนั้นเขามันสะสมกิเลสอย่างนั้นมานาน เขายัางละไม่ได้เพราะเหตุนั้นเราควรให้อภัยเมื่อคิดได้อย่างนี้แล้วใจมันก็พงตกลงไปมันก็ไม่ผูกโกรธไว้ในใจแล้วก็อธิษฐานใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุทกทุกท่วนหน้าอย่ามีเวรต่อกันแลกกันเนี่ยที่แนะนำอย่างนี้ล้วนแต่แนะนำให้ทาในใจทั้งนั้นนะ บางคนยังไม่รู้นะว่ลาลักกิเลสนี่ละอย่างไรก็ละอย่างนี้แหละเพราะกิเลสมันมีลักษณะอาการแตกต่างกันธรรมะที่จะปราบกิเลสนั่นก็ย่อมมีลักษณะอาการแตกต่างกันไปดังที่แสดงมานี่แหละการที่ทรงสอนให้พิจนาเห็นโทษแห่งความหลง ไอ้ความหลงเนะี่ยมันก็นันว่าก่อทุกข์ให้แก่บุคคลเหลือที่จะคานนาเช่นเดียวกันแหละขึ้นเชอว่าหลงแล้วมันก็ทำผิดบ้างทำถูกบ้างไปอย่างนั้นนะดูดูมันจะทำผิดอันมากกว่าทำถูกธรรมดาคนหลงคนเมาดังนั้นแหละพระ อ, องค์เจ้าเึงเนยทรงสั่งสอน ให้กำจัดความหลงนี่ออกไปด้วยการเจริญสมาธิภาวนาถ้าหากว่าบุคคลไม่ลงมือปฏิบัติเจริญสมาธิปัสนาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วอย่างนี้ความหลงมันจะไม่เบาบางไปเลยเมื่อทำใจให้สงบลงไปแล้วก็หมายความว่า เป็นนั้นว่าคมกิเลสอย่างกลางให้สงบตัวลงไว้อย่างนี้นะเมื่อกิเลสอย่างกลางมันสงบตัวลงได้แล้ววันนี้จิตใจก็ผ่องแผ้วเบิกบานเราจะคิดอ่านเรื่องอะไรอะไรมันก็คล่องแคล่วดีเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าทาจิตนี้ให้สงบยังไม่ได้ ก็จะพิจารณาอะไรให้คล่องแคล่วให้เกิดความรู้จริงเห็นแจ้งมันก็ไม่ได้ให้เข้าใจอย่างนี้เหมือนอย่างดวงตาของเรานี่นะถ้ามีฝ้ามาปิดบังอยู่เนี่ยมันก็มัวต่อเมื่อหมอผู้ชำนาญ ลอกฝ้าที่ปิดปางตาท่านออกได้แล้วนี่ตาก็สว่างมองเห็นอะไรได้ชัดเจนดีนี่ชั้นใดก็เหมือนกันอย่างนั้นเลยอันดวงตาภายในคือดวงจิตนี่นะถ้ามีฝ้าคือความหลงเข้าหุ้มห่อแล้วอย่างนี้ย่อคิดอะไรก็ไม่ออกไม่สามารถจะรู้ เหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้เลยใครเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็ไม่รู้เลยเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ละมันไม่ได้ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทเพราะพระพุทธเจ้าแนะนำอุบายที่จะกำจัดความหลงไว้แล้วคือการเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ล้วนแต่เป็นอุบายกำจัดความหลง นี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจทั้งนั้นเลยถ้าจะว่าไปอย่างหนึ่งแล้วในความหลงนี่นะว่ามันเป็นหัวหน้าหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายแน่นอนทีเดียวเพราะว่าจิตมันไม่รู้จริง ในรูปอันนี้เหตุนั้นมันจึงหลงรักหลงใครว่าสวยว่างามนี่แต่ที่จริงรูปนี้ไม่ได้สวยได้งามอะไรเมื่อเราเพ่งดูภายในแล้วจะเห็นว่ามีแต่สิ่งสกปรกโสมมทั้งนั้นเลยมีแต่หนังหุ้มอยู่ภายนอกนี้เท่านั้นแหละ เมื่อตกแต่งเข้าไปขัดถูเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามแต่คนทั้งหลายมันก็มันหลงอยู่แต่ผิวนอกนี้เองเนี่ยก่อนนะนี่แหละจึงว่ามันหลงแล้วมันจึงเกิดความรักความใคร่ขึ้นมานี่ถ้าภาวนาเพ่งดูร่างกายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในนี่ในหนังเข้าไปแล้ว เราจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรสวยงามทีนี้จะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยจริงโสโครกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสวดสงก็ไม่น่ารักใครยินดีอะไรก็เมื่อเมื่อเจริญปัญญาวิปัสสนาเพ่งพิจรารณาแยกแยะร่างกายสังขารออกให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้มันก็นั่น ความหลงเข้าใจผิดคิดว่ารูปนั้นสวยงามน่ารักน่าใครมันก็หายไปความรู้แจ้งว่ารูปร่างกายอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรรักควรใครควรปล่อยวางจะเกลียดชังก็ไม่ถูกทางที่ถูกแล้วเราก็วางใจเป็นอุเบกขาลง อย่าไปยินดีเยินร้ายกับรูปกายอันนี้นั่นแหละมันถึงจะถอนตอนหรือคือถอนดวงกิดนี่ออกจากความรักความไข่ให้เบาบางไปโดยลำดับพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะส่พังลงไปแล้วก็เพงเข้าไปจนมันถึงมันเป็นธาตุลงไปนู่นบอนอ้นี่ก็สิ่งเหล่านี้มัน ก็เกิดจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนั่นเองนี่นะแต่แล้วเมื่อมันแตกทำลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเกา่าเมื่อพัญญามันเห็นแจ้งลงไปอย่างนี้มันก็ได้ชื่อว่าเห็นเป็นอนัตตาละไรแบบนี้นะมันไม่มีสัตว์มีบุคคลตัวตนอะไรเป็นแต่สภ า, าสะะวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นเองนะ แต่วันนี้มันต้องย้อนมารู้นามมาทมนี่อีกทีหนึ่งนามรรมาทำนี่มันเกิดอยู่กับจิตนี่ถอยกลับเข้ามาใครเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นร่างกายเป็นธาตุเป็นเท่าเป็นทานอะไรไปนั่นน่ะก็จิตนี่แหละรู้เห็นแต่ทีแรกมันก็เป็นสัญญาไปก่อน เช่นเพ่งอสุภาอย่างนี้นะท่านเมื่อเห็นอสุภาสุฟังเข้าไปแล้วจิตสงบลงไปแล้วก็เพ่งร่ากายในลงไปมันเป็นสภาวะธาตุสภาวะธรรมก็ไปไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะนี่ท่านเรียกว่าอนัตตานุปัฏฐานเห็นแจ้งว่านามรูปนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงจังเลย นนเนวาเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการภาวนาจึงว่าอย่าไปยับยังอยู่แต่สมถะคือทำใจสงบอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่สามารถจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาดังกล่าวมานั้นได้เพราะการทำใจให้สงบอยู่นั้น อำนาจแห่งสมาธิเพียงแต่ข่มกิเลสให้สงบทั่วอยู่สงบอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละแต่มันแสดงฤทธเดชออกมาไม่ได้ในขณะที่จิตสงบอยู่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นคั้นพอจิตถอนออกมาแล้วกิเลสนั่นมันจึงได้โผล่ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้หลงอีก ถ้าเมื่อใจใช้ปัญญาพิจารณาไม่ประมาทไม่เบื่อหน่ายต่อการพิจารณาตั้งสติสำรวมจิตอันเป็นสมาธิอยู่นันแน่วแน่นแล้วก็พิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่อย่างนั้นให้มันรู้แจ้งให้มันเห็นโทษแห่งกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมานั่นนะ ด้วยปัญญาจริงจังเลยวันนี้นี่นี่แตการพยายาิจารณามันเห็นเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าเรามารู้แจ้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ตามเป็นจริงแล้วไอ้ความโลภเป็นต้นดังกล่าวมานั้นนะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมันโลภมันอยากได้ ของผืนเราเป็นของตอนหรือมันโลภในกล้อมโลภในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งต่างวะนี้แล้วก็อาศัยสังขารความคิดความปรุงแต่งไปอาศัยวิญญาณความรู้ความรู้เรื่องโมนั้นแต่วิญญาณนี่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันมีแต่รู้ว่าสิ่งนั้นน่ารักน่าพอใจน่าอยากได้อย่างนี้นะ แล้วอาศัยสัญญาณไปจําหมายเรื่องนั่นไว้มเมื่อมันจําหมายไปมันเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นทางใจนี่แหละสาเหตุที่คนเราจะละ ก, กิเลส ต, ต่างๆมีความโลภเป็นต้นไม่ได้นะก็เพราะไม่ย้อนมาเท่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นนามธรรมาซึ่งไม่มีรูปร่าง เป็นอาการของจิตนะเกิดจา ก, กจิตนี่แหละแต่เราต้องถอยกลับมาอย่าทรงใจคิดอ่านปุงแจงเรื่อยเปลยไปอย่างนั้นคือถอยความคิดความจำความหมายทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ที่ความรู้สึกภายในมาเพ่งดูนามมาทำเหล่านี้ มันก็เห็นแจ้งเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเพื่อมาเห็นแจ้งในานามทำอย่างนี้แล้วก็พร้อมทั้งเห็นแจ้งในรูปทำอย่างที่ว่านั่นมันก็สามารถบรรเทากิเลสต่างๆลงได้เพราะว่ามันรู้ต้นตอของมานันนี่รู้ว่าจิตนี่มาหลงนามหลงรูปนี่แหละ พูดสั้นๆแานที่มันจะเกิดเป็นความโลภความโกรธหลงหรือว่าจะเกิดเป็นราคะโทสะโมหะขึ้นมานี่เราต้องมาค้นมาเพ่งพินิจดูต้นตอของกิเลสนี้ให้มันได้เมื่อเพ่งดูโย่บ่อยๆเข้านะมันจึงรู้แจ้งได้ถ้าเพ่ง ช่วงครั้งช่วคราวแล้วหยุดเสียเชนีมันก็ยอมมองเห็นไม่ได้ปัญญาก็ไม่แจ่มแจ้งขอให้พากันตั้งความภาคเพียนพยายามลงให้เต็มความสามารถของตนของตนจนกว่ามันจะรู้จริงเห็นแจ้งจนกว่ามันจะถอนตนออกจากกิเลสตัณหาสารพัดตังกล่าวมา